เรกว่ากายะคตาสติหนึ่งอนาปานสติหนึ่งคือเรื่องสติทั้งนั้ น, นะะสติที่เป็นไปในกายรู้อยู่ให้กำหนดรู้อยู่ในกายอย่าให้มันออกนอกกายเรียกกายะกายะคตาสติคือสติที่เป็นไปในกายแล้วก็อย่างที่เรากำหนดยกมือเคลื่อนและรู้ตัวนี่นี่คือกายะกายะคตาสติจริงๆแล้ว ก็มือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกกนนี้ก็เป็นอาณาปานสติที่ผมแนะนําเรื่องเคลื่อนมือมากๆก่อนเนไม่ใช่อะไรอื่นนะครับเพราะว่าถ้าความรู้สึกตัวเราอ่อนพอไปนั่งอาณาปานาสติเข้านุ่งและเหลับในครับแล้วปไม่รอดครับในในในที่สุดคือไปไม่รอดมันอาจจะดูสบายพักหนึ่งเท่านั้นเองแจมสายพักหนึ่ ง, งเดี๋ยวก็เริ่มเริ่ม ภาปาภาคใต้ก็เรียกเชื่อมอเชื่อมเริ่มเริ่มเริ่มซึมซึมซึมกระถือเข้าในสุดจะการการนั่งหล่อเลี้ยงโมหะไว้นั่นเองในการเจริญสมาธินี่ครับถ้ามันไม่เป็นสมาธิที่ถูกต้องมันก็เป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องทันทีจริงไหมครับ เมื่อมันไม่เป็นน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มันก็กลายเป็นน้ําซึ่งไม่สะอาดบริสุทธิ์ทันทีนั้นพ้าเรานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งตัวสมาธินี่กลายเป็นโมหะทันทีเลยนะครับเพราะสมาธิซึ่งซึ่งไม่มีสภาพรู้ตัวตื่นตัวนี้มันเป็นเทือกแถวเหล่ากอของโมหะคนที่มีโมหะจิริคือคนเฉยๆนะคับไม่ ค, ค่อยขี้โกรธอะไรที่จริงนั้นเป็นโมหะ รังนั้นศรัทธาก็ดีสมาธิก็ดีเป็นฝักฝ่ายของโมหะโดยมันเป็นพลังดังนั้นเราต้องมีเชื้อของความรู้อยู่พลังนั้นจึงจะมีประโยชน์จริงไหมครับธรรมดาว่าขวานนะครับด้านหนึ่งนี่จะคมด้านสันจะทื่อถ้าเราใบมีดโกนที่บางแต่ว่าคมมากๆไปฟันท่อนสูงนี่ผมว่าทำไม่ได้ ดนั้นเราต้องใช้ขวานเพราะมันมีน้ำหนักด้วยมันมีความคมด้วยความคามนั้นเปรียบด้วยความความรู้กับสติที่จะกำหนดรู้อยู่ทีนี้นเมื่อสติต่อเนื่องยิ่งขึ้นมันก็เกิดกำลังขึ้นเหมือนกับสันขวานซึ่งรวมที่จริงคมกับสัน ม, มันอันเดียวกันใช่ไหมครับเนื้อเดียวกันนี่แหละแต่ด้านหนึ่งมันเสียมมาแหลมมาดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวดีนะครับมีสติ มีสมพรดีมีสัมพัญญ์ะดีตอนนั้นเราก็เฝ้าดูตัวเองนะครับไอ้ไอ้เครื่องมือที่จริงเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยเข้าใจไหครับผมบอกแล้วว่ากรรมวิธีทุกชนิดเป็นสิ่งชั่วคราวเราเราเตือนันเพื่อไม่ให้เผลอตัวเท่านั้นแต่ว่าจะไปสนใจมันเข้ามันไม่สำคัญอะไรครับสาหรับบางคนที่สดีดีแล้วไม่ต้องทำก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ก็นั่งดูตัวเองจิตคิดไปก็รู้อยู่นี่แหละ กระพริบตาอยู่หายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือไอความรู้สึกตัวที่ทปรากฏอยูค่คือการงานของรูปนามที่กำลังทำร่วมกันอยู่กายก็เคลื่อนไหวไปมาถึงต่อเรานั่งนิ่งก็เคลื่อนไหวเช่นต้องหายใจเข้าหายใจออกท้องก็พองยุบ ก, ก็ดูเล่นๆไปอย่างนั้ น, นส่วนจิตก็มีการงานของมันคือคิดนึก มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วครับดังนั้นเราเฝ้าดูเข้าไปเฝ้าดูาไปเมื่อเฝ้าดูอย่างนี้อย่างต่อเนื่องผมเน้นคำว่าต่อเนื่องเพราะว่าทำไมต่อเนื่องไม่เป็นสมาธิแล้วเราดูเห็นปั๊บเดียวก็เลิกอันนี้เป็นสติผมได้ยินพูดกันมากครับเดี๋ยวนี้เรื่องสติทางทีวีไม่เพียงแต่พระสงฆ์ น, น, นะครับ พวกผู้อน่วยการที่พูดเน้นเรื่องสีมากต่ฟังฟังดูมันมันไม่ใช่สติครับแล้วก็บางแห่งพูดว่าจเจริญสตินั้นหลุดพ้นได้ไม่จริงครับอันนี้ว่าวเองครับสติไม่ได้ทําหน้าที่หลุดพ้นตรงข้ามสติทําหน้าที่ติดด้วยซ้ําไปเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเราโกรธเราก็รู้ตัวโกรธแต่นั้นก็ติจอยตรงนั้นมีพุทธภาษิตตรัสว่า สตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวนไม่ได้เข้าใจไหมครับสตินั้นมันเป็นเปรียบเสมือนทำนบซึ่งกักน้ำไม่ให้ไหลเท่านั้นนะครับแต่การที่จะเอาน้ำไปเข้าเลือกสวนไ ร, ร่นานั้นอีกประเด็นหนึ่ง ตัวที่ละจริงๆคืออริมัคคยานครับคือที่จริงคือปัญญาเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติเรื่อยๆนะครับเหมือนเราสะสมน้ําที่จะหยดเมื่อสะสมคำว่าสะสมน้ําเราต้องรู้มนมีช่วงซึ่งน้ําแห้งด้วยครับถ้าเราหยดประหยดหนึ่งในในโถหรือในแก้วทิ้งไครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่มีสักหยดหจริงๆนะมันละเหยหมดดังนั้นหยดหนึ่งหยด แล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งน้ำที่ประโยชน์ประโยชนมันเกิดเป็นน้ำเป็นจำนวนปริมาณที่มากแล้วก็มีมีพลังขึ้นมาแล้วนั่นคือสมาธิเมื่อตอนที่เราจเจริญสติเรารู้สึกตั้งสติอึ้มาที่นี่กิจของมันคือละความไม่รู้สึกตัวเท่านั้นนะครับมันละอย่างอื่นไม่ได้ ต่อเมื่อมันสะสมตัวมันเองมากขึ้นต่อเนื่องขึ้นมันก็แปลเป็นพลังชนิดหนึ่งเรียกว่าสมาธิคือความตั้งมัน่นมันทําหน้าที่ละความซัดสายของจิตคือหน้าที่และกิจของมันเนี่ยต่างกันทีนี้เมื่อสมาธิพอเพียงนะครับมันเกิดเห็นรูปเห็นนามอะไรอย่านี้นีนกายอย่างนี้อนี่จิตไอ้นี่เป็นรูปไอ้นี่เป็นนามไอ้นี่ปัญญาเกิดครับ หรือเห็นเห็นความคิดคิดนึกไปนี่ก็เห็นหนึ่งล้วเห็นสภาพซึ่งไม่ได้คิดสภาพทุน่ทนๆนะคอย่างนี้นะครับเรียกว่าม่อมีพลังของสมาธิพอเพียงปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาพอเพียงก็ชื่อว่าบรรลุ ถ, ถึงสมาธิทิผมได้กล่าวไปครั้งแล้วว่าสมาธิทิเกิดไม่ได้โดยการนั่งฟังเฉยๆ เ, เรียนจากตำรา องค์ประกอบของสมาธิฏฐินั้นคือหนึ่งได้ยินผู้อื่นอธิบายขึ้นภาษาพระเขาเรียกประตโฆษั์คือผู้อื่นโฆษณาขึ้นองค์ที่สองที่สําคัญมากก็คือโยนิโสมณัสิการที่จริงโยนิโสมณัสิการคือสติคือได้ยินแต่ว่าตัวเองมีสติด้วยถ้าสติอ่อนแม้สิ่งนั้นจะพูดเล่นสัมาธิฏฐินี่คนนั้นไม่ไม่ไม่เข้าถึงสัมาธิฏฐิ ไม่ใช่ว่าเราจําได้ว่ามีความกรตันอยู่รู้คุ้มคนเชื่อว่าพระหันมีจริงเชื่อว่าทานมีผลแล้วนั่นคือสมมาทิฏฐินั่นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นทฤษฎีเท่านั้นแวถาเราเรียนรู้เรื่องอรยสัจทุกมีเหตุตรงนั้นนิโรธมรรคอย่างนั้นอย่างนั้นและชื่อว่ามีสมมาทิฏฐิสมมาทิฏฐินั้นเป็นชื่อของการยังเข้าไปถึงธรรมะ การเข้าถึงกระแสนั่นแหละจึงจะเป็นสมมาทิฏฐิบุคคลชื่อหนึ่งทเรียกทิฏฐิสัมปันโนคือทิฏฐิที่สมบูรณ์มีทัศนะที่สมบูรณ์หมายถึงชื่อของพระโสดาบันดังนั้นผงบอกไม่จาเป็นเลยที่ต้องเรียนอะไรมากมายครับที่จริงพระปริยัตทั้งหมดเพียงปลุกเร้าศรัทธาของเราให้ปฏิบัติ เพราะนั้นเราจเจริญสติให้มากมีสติมากแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะเด่นชัดขึ้นเข้าใจได้เอาละวันนี้ลองภาวนาครับนี่ทดลองนะทดลองนั่งกำหนดลมลมปราณนะครับแต่จำไว้ว่าทุกครั้งที่เข้าต้องรู้ แล้วไม่ใช่รู้โดยคําพูดไม่ใช่พอหาใช่ข้าวเขาพูดว่าข้าวหนอองนี้มันล้อตัวเองเล่นครับดีเหมือนกันแต่ว่าผมผมไม่ไม่ไม่สนับสนุนในที่นี้นะถ้าใครเคยทําก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นสองตอนอยู่คือมีมีคําพูดว่าหนอเข้าแล้วหนอแล้วทีนี้มันยุ่งแหะที่จริงเลครับอาจารย์พูดแนะนําเรื่องนี้เขาไม่ได้เจตนาจะให้พูดคือเพียงรู้เท่านั้นค เข้าก็รู้จะพูดเหมือนที่ผมพูดผมมีหน้าที่ต้องพูดตอนนี้เข้าใจไหมครับแต่อตอนหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ทําเล่นๆครับถ้าเอาจริงมันลําบากมากๆเลยอาศัายกระบวนการตามธรรมชาติครับค่อยๆสังเกตทําดีๆกับตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดหัวมึนหัวขึ้นมาเข้าใจไหมครับ <c oughs> อาการปวดหัวมึนหัวตะคั่นะครอจากการปฏิบัติมันเป็นวิบากกรรม ค, รคือเป็นนิสัยซึ่งเราชอบทําอะไรแบบยืดยุ่ยฉาดกับตัวเองครับชอบมักง่ายชอบทำนั้นตามใจอารมณ์แล้วมันส่งผลเมื่อเมื่อเราจะมาทําอะไรง่ายๆตามธรรมชาติทําไม่ได้เข้าใจไหมครับเหมือนคนที่ดับชริตมากๆจะให้มีชลิตตามธรรมชาติตันกลายเป็นสิ่งที่ยากเข้าใจไหมอันนะมันเป็นวิบากครับ เรื่องาก็ตามใจตัวเองตามอารมณ์นี่ตลอดปัจจุบนนัเราทําง่ายๆคือทํำดีๆกับตัวเองเข้าใจไหมเราทําดีกับหมากับแมวด้วยเรารู้ใช่ไหมครับคืออย่าไปคิดร้ายกับมันให้อาหารมันและอย่าไปเตะมันเข้าหรือไปดีดหูมันเข้าเี่ยเราทําดีๆกับมันทําดีๆไม่ใช่ไปจุนจ้านกับมันนะคืออย่าไปยุ่งกับมันครับเราอยู่ของเราแล้วเราอย่าไป ก็เห็นๆมันอยู่เรียกว่าเราทาดีๆขั้นันที่นี่กเหมือนกันครับทำดีๆขึ้ตัวเองเห้งมากๆเอาละวางดีตั้งกาให้ตรงหลับตานั้นไม่ดีให้หลีตานอคขึ้นหนึ่งถ้าดูปลายจมูกนั้นไม่ดีตึงเครียดมากๆเพลงนี้มันไม่สบายครับ หลีตาดูพื้นก็ได้แต่อย่าไปดูอะไรครับสมมติมันเผลอไปหลับตามันเองนะมันหลับเองช่างมันมันหลับตาเนี่ยไม่ได้หลับจริงๆนะหลับตาทีนี้สมมติว่ามันเกิดอาการซึมๆง่วงๆมันลืมตาขึ้นแสงสว่างจะช่วยได้จากอาการลืมตานี่ครับเมื่อมันมันมันหลี่ลงเองนั้นใช้ได้เดีย จะรูปรวมร่างกายในท่าที่เหมาะสมนะแล้วก็ตักขึ้นไปคือต้องรูปรวมกำลังกายครับทิ่มดินเขึ้นไปตักโยนไปถ้าก็รูปรวมไม่สําเร็จเช่นเขาเป็นไข้ก็รูปรวมไม่ได้เข้าใจไหมครับทีนี้เวลาทําสมาธินี่เหมือนกันคือเรารูปรูปรวมความรู้สึกทั้งตัวครับรวบรวมความรู้สึกทางจิตใจทั้งกายทั้งใจนีม่มะประมวลขึ้นมา เข้าใจไหมครวบรวมความรู้สึกเก็บมาให้ได้เข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าของมันกระจายอยู่หลายสิ่งเนี่ยเราก็รวบรวมเข้ามาในหอของชายพกหอ่อแล้วก็รวบเข้าใจไหมครับแล้วก็หิ้วไปตลาดความพา ร, รวบรวมได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้อพลังความรู้สึกตัวนี้ดูกระแสความคิดความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราจ้องดูความคิดมันจะไม่คิดจริงไหม ลองเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองดูอ้าวทุกคนดูความคิดมันก็หายหัวไปเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวมันรู้สึกมีอะไรคิดผ่านๆใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้ตเรื่องนี้แล้วซ้ำเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องบางทีเรื่องเดียวคิดไม่รู้กี่สิบวันพอหันไปดูมันหายแ่้เพราะอะไรรู้ไหมครับ ที่พลัหันไปดูแล้วความคิดหายไปเพราะว่ามันกลายมาเป็นผู้ดูผู้ดูนี่เป็นความคิดหนึ่งใจไหมครับวันนี้มันย้อนมาอยู่ที่ท้ายถอยของเราแลมันกลายเป็นตัวผู้ดูก็เรากำลังคิดว่าเราจะดูความคิดยังไงครับเห็นครับนั้นเรากำลังคิดว่าเอออันไหนนอความคิดมันเล่นกันมาที่นี่เสร็จแล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นมันจึงลาบากมากครับ แต่เราเพียนทำอย่างนี้รวบรวมความรู้สึกตัวเฝ้าดูความคิดถ้ารวบรวมแบบนิ่งอย่างนี้มันบล็อกความคิดเห็นไหมครับแต่มันสบายดีใช่ไหมมันจะไม่เห็นความคิดดังนั้นเราต้องเคลื่อนไหวแต่ก็เคลื่อนไหวแบบเพื่อรวบรวมความรู้สึกตัวทีนี้พอเคลื่อนไหวเนี่ย ม, มีทีเผลอมันคิดพอคิดเราพอดูมันมันหายอ่ะ เราดูดูมันหายหายเพราะว่าเราเผลอมันคิดทำอยู่อย่างนี้นะคะมันจะมาถึงวันหนึ่งครับที่ผู้ ด, ดูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดอีกแล้วเป็นเพียงความรู้สึกล้วนๆท่วนๆแล้วก็เห็นกระแสของคิดไหลไปอีกทางหนึ่งแตกเป็นสองเข้าใจไหมครับพอแตกเป็นสองวันนี้เราจับได้แล้วครับคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เกี่ยวความคิด เมื่อคนสองคนในร่างเดียวความคิดก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ติดกันเข้าใจไหยครับมันไม่ติดกันเลยหรืบางทีติดกันแต่มันหลุดง่ายหรือบางทีไม่ติดกันเลยคล้ายน้ำกับน้ำมันครับเราเอาน้ำกับน้ำมันเนี่ยเทใส่ในในในขวดแล้วเขย่ามันก็เกิดการงานใช่ไหมครับเกิดการงานแต่ว่าพอเราหยุดมันก็แยกตัวทันทีทีหลังเราคิดอะไรสนุกครับ คิดเรียนหนังสือคิดอะไรแต่พเสร็จเรื่องนั้นมันแยกกันทันทีมันกลับมาปกติตัวนี้เหมือนกับคนไม่มีความคิดครับแต่ถึงเวลาก็คิดได้คิดดีเข้าใจเป้าหมายของเราหรือยังครับมันคิดได้คิดดีโดยไม่เป็นทุกข์กับความคิดของเราเราก็สบายเท่านั้นจริงไหมครับแต่ถ้าไม่มีความคิดเลยมันท่อนไม้ครับเราไมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเราต้องใช้ความคิดทํำมาหากินเรียนหนังสือสอนหนังสือสิ่งนี้ครับ แต่ปัญหาคือว่าพอเราใช้ความคิดแล้วเราเรานอนไม่หลับคือไม่อยากคิดมันก็คิดยุ่งแหละทีนี้เห็นไหมเเดินก็คิดนั่งก็คิดทีนี้แทนที่เราจะเป็นฝ่ายคิดมันกลับเล่นงานาเราอะไรเนี่ยเรียกว่าความคิดมัดตัวคนนั้นเอาเข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับวันนี้ปฏิบัติให้มากๆากับก็ชูจีใช่ไหมครับสหรบบางคนปฏิบัติมากมาก เมื่อไม่ปฏิบัติจะไม่รู้สิ่งที่รู้แล้วจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเท่าใจงไหมครับสิ่งที่เข้าใจเนี่ยจะจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วแล้วจะไม่มีประโยชน์เลยครับในการที่เราพบปะกันสา 3, 2, 3มสองสาวันเนี่ยต้องปฏิบัติมากๆครับต้องปฏิบัติให้ถึงจริงๆเมื่อปฏิบัติถึงจริงๆแล้วเนี่ยจึงไอ้สิ่งที่พูดๆฟังๆเนี่ยจะไม่หายไปไหนครับกึมจะอยู่ แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคพูดของผมด้วย <S <S <S <S คือเเรื่องเกี่ยวกับทุกคนนี่แหละมันจะอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนะครับเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่นานเพียงใดธรรมชาติก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะอืมมีคนหนึ่งผมแนะให้ปฏิบัติแกก็ทาเล่นไปทําเรื่อยๆนะฮะก็ไม่เข้าใจสีหลายเดือนมากใน บ, บทที่แกจะจับได้ขึ้นมานันก็แปลกดีคือจะเปิด ลูกบิดห้องน้ำครับพอเอื้อมมือมันเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาทันอย่างนี้ ค, ความรู้สึกตัวมันวูบลงไปนี้ก็จับได้โอ้ควารู้สึกตัวเคื่อนนี้นี่ลำดับต้นเท่านั้นนะครับไม่ไม่ที่จริงรู้เท่านี้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะแต่ว่าเข้าใจดีแล้วลืมไม่ได้แล้วคือมันวูบเข้าไปที่ใจเนี่ยใจกับกายมันสัมพันธ์กันหมดนะเพราะนั้นเราปฏิบัติมากๆเวลาจะยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ พอยืนไปก็รู้ตัวครับหยิบมาก็ก็คือเรากำลังปฏิบัตินั่นเองเข้าใจไหมครับแต่จุดถึงวันเวลาขณะที่จะเข้าใจแท้ถึงขนาดยกระดับชีวิตนั้นเรากำหนดไม่ได้เราเราไม่สามารถกำหนดได้เมื่อไหร่คนไหนรู้วันไหนนี้กำหนดไม่ได้ครับบางคนอาจะรู้เร็วก็ได้บางคนรู้ช้าก็ได้แล้วแต่เรื่องรา บางคนฉลาดมากอาจจะรู้ช้าก็ได้เพราะฉลาดคิดบางคนไม่เคยคิดอะไรอาจจะรู้เร็วก็ได้อย่างกรณีพระโมคขลนะันนะท่านรู้เร็วมากแต่ภาษาเรือ่องบทนั้นนานเพราะว่าท่านฉลาดมากมีปัญญามากก็คิดเก่งคิดเก่งก็รู้ช้าจริงไหมครับเรื่องรู้ธรรมานี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องฉลาดหรือเรื่องโมกข์มันเกี่ยวกับว่ามันทำถูกเรื่องขึ้น พู้เจ้าอุปมาอย่างนี้นะครับว่าปฏิบัติธรรมนี่เราต้องการหลุดพ้นก็ได้ไม่ต้องการก็ได้ครับแต่ถ้าทําถูกมันจ ะ, ม, นจะมันจะไปตามเรื่องเองท่านอุปมาเหมือนคนอยากจะกินนมวัวคนหนึ่งอยากกินนมวัวแล้วก็อยากกินนมวัวมากจะไปรีดเออที่เขาของมันเพราะไม่รู้จักว่านมนี่อยู่ที่เต้าจะรีดทั้งวันก็ไม่ได้กินใช่ไหมครับ แต่คนหนึ่งไ ม, ไม่ได้ตั้งใจจะกินนมวัวแต่มันตรงมาที่เต้านมวัวแล้วก็เลีอยออกมาในสุดก็ได้กินจนได้นั้วพะทำถูกเรื่องขึ้นมานี่ครับผลจะปรากฏตามลำดับแม้ว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมามากนะครับเป็นคนวัดคนวาหรือแม้แต่บวชนานแต่ว่าทำไม่ถูกครับอยากจะบริสุทธ์หลุดพ้นแต่ทำไม่ถูกอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็นานดังนั้นคนบางคนนะครับ ดูๆแล้วถ้าคนทั่วไปตัดสินคือไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> คนนี้มันเก็กมาเลยเกเรมากๆเลยอยู่สองวันมันเกิดเข้าใจอะไรดีกว่าเรา <c oughs> เราก็ไม่ไม่พอใจคือคายธรรมชาติมันไม่ยุติธรรมเลยที่จริงธรรมชาติยุติธรรมมากๆครับ <c oughs> แต่เราไม่เข้าใจนะครับว่าธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จริงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีเรื่องชั่วเลยซ้ำนะฮะเหมือนที่เรามายกมือนมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรใครเข้าใจไหมครับ <c oughs> ๆๆๆ ทีคนดีมากๆเนี่ยรู้ธรรมะช้าคือติดดีครับติดดีเข้าใจไหมครับตัวเองไม่สูบุหรีไม่กินเนะื้อเห็นเพื่อนกับโมโหมันก็เลยติดโมโหจนท่านน่ะเรียกว่าติดดีครับยึดถือมากเกินไปเป็นปัญหาขึ้นใหม่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องติดเลวนะติดเลวไม่ต้องพูดแล้วคือมันมันไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ติดดีนี่ก็น้อยสิมอะไรครับผมเห็นเยอะคนติดดี ติดดีคือจะปฏิบัติธรรมะทิ้งต้องไปวัดแน่ๆต้องนุ่งขาวห่วมขาวไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้นี่นติดรูปแบบครับมันเลยไปไม่ได้อยู่เรื่อยในสิ่งที่ผมนัน่นี่เอาตรงจงครับแบบมวยวัดรู้จักมวยวัดเมื่เด็กเออหนุกงสาวหรือหลังอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใครใครไม่รู้จักมวยวัดผมคิดว่าไม่รู้อายุขนาดนี้ไม่ใช่ดูถูกนะ เพราะเ็กีมวยวัดไม่ก็จะมีไม่ใช่รายการมวยที่เขาจัดชกในวัดไม่ใช่อีกนั้นนะคําว่ามวยวัดหมายถึงไม่มีกติกาครับพอเด็กวัดคนโตบอกว่าเอาเลยมันก็ซัดกันเลยแล้วไม่ต่อยลูกตาก็ได้ทําไงก็ได้ท้องก็ได้เอาดไซสสาดเข้าไปในตามก็ได้อย่างนี้ก็เรียกวมวยวัดเวลาเราปฏิบัติเราทําอย่างนั้นครับทําแบบมวยวัดเอาเลย กติกาไม่มีครับรูปแบบไม่มีเวลากำหนดหมายปฏิบัติไม่มีเนะี่ยเข้าใจไหมทำอย่างนี้ไปเร็วครับแล้วต่อให้คู่ต่อสู้มองเราเนี่ยตัวโตวกว่าแต่ถ้าเราดับตะเกียงมันได้ล้วก็นชนะแน่จริงไหมตะเกียงหมายถึงลูกตาซัดลูกตามา่ก่อนเลยถึงตัวโตๆเนี่ยเราซัดลูกตามันแล้วมันสู้เราไม่ได้เข้าใจหครับเข้าใจหม ทีนี่ถ้าเปรียบทางธรรมก็แปลว่าอะไรคือลูกตาง ม, มันคือคือความไม่รู้ตัวนั่นเครับพอเราปฏิบัติรู้ตัวนี่เราซัดลูกตามันแล้วเข้าใจัหมนั่นเองครับง่ายนิดเดียวถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยตามธรรมดานะครับรู้เรานี่จะร่างกายนี้เนื่องจากมันเป็นวัตถุธาตุมีขนาดมีน้ำหนัก ดังนั้นมันจะสะสมความเมื่อยขบนั่งนานๆเดี๋ยวก็เมื่อยขบขึ้นมาเราต้องรู้จักวิธีที่ปรับปรุงคนโบราณเขาฉลาดมากๆเรื่องนี้ประดิฐ์คิดค้นวิธีที่เราเอามือสารที่ท้ายถอยนะครับรทำ ช, ช้าๆทาแล้วทำดีๆกับตัวเองจะรู้สึกจะบายมากๆ อ uh huh. ยิ้มนิดๆกับตัวเองนะมันยิ้มคนอื่นนะน uh huh. ะฮจรู้สึกสบายสบายเหมือนกับว่าเรานึกถึงตอนที่เราหิวข้าวนะทิ้งเที่ยงอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จพอเอ็นหลั ง, งมือสารท้ายทายก็โอ้ยสว่านนะฮะทำดีๆกับตัวเองเนี่ยคานี้จําช่วยจามึงเวลาเกิดเรื่องทุกข์น้อยใจใครเนี่ยทําดีๆกับตัวเองไว้ คือทำใจดีๆครับเอหลังนครับเหมือนกันนอนเป็นเปลยวนนะี่บายอย่านียืดขาไปยืดขาไปง่ายๆครับยืดไปอย่าพยายามยืดให้ตรงจะได้ดูโก้มันนีไม่สบายนะถ้าขาเรากองก็กองนะนะั่นแหละ ยืดสบายๆยอย่างนี้นแหละแล้วค่อยๆโน้มตัวทำดีๆกับตัวเองเนะียอย่ า, าอย่าหักโหมนะียืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆความความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นดีนีครับยืดไปเรื่อยๆแล้วก็พักลงในท่านี้เนี่ย ก็รู้สึกสบายดีเข้าใจไหมครับขาอขานี้งอขึ้นมาขานี้เดือดไปแล้วเอานิ้วชี้กับหัวนิ้วโป้งนี่ครับคล้องบ่วงเข้าตรงนี้คล้องบ่วงแล้วก็เอามือนี้ถายออกไปทางนี้ โค้งตัวไปนะครับพร้อมกับโค้งมือไปสบา ย, ยาเห็นไหเลื่อน ง, ง่ายๆเลยครับเลื่อน ง, ง่ายมากๆเลยจริง ท, ที่ทำให้ตัวเองสบาย จำท่า น, นี้ไม่ดีนะครับโเคเชื่องสบายมา ก, มากเลยสารได้ทอยแล้วก็หายใจเข้าด้วยครับหายใจเข้าชา้าๆลึกๆ